บทที่ห้าบเอดลืมตาและรวดขึ้นมานั่งพรางกันยังตกใจมันตกอยู่ในห่วงฝันร้ายแต่มันก็ไม่ใช่ความฝันท่ามกลางแสงสว่างจ้าของทิวากาันอะไรชนิดหนึ่งกําลังชัดสีจีนที่ฟ้าขนาดของมันพอๆกับม้าแกรเห็นช่วงวา่าจะเพียงพื้นเหลืองสีฟางมีระยุ ด, ดําอยู่จางๆห่างจากจุดที่เขาและล่อนดึงกายขึ้นมานั่งออกไปด้านหน้าแค่สามวาเท่านั้นเฮ้ยช่วยพุดล้องออกมายังลืมตัวส่วนคริส ขายสวยได้เอ็มที่หกประจําตัวกระโดดผาลงขึ้นยืนอย่างอัตโนมัติและนายทหารหนุ่มก็ตะลีตะเหลือควา้าอะไรเฟื่องข้างตัวกายขึ้นมายืนจ้องภาพนั้นในลักษณะตะลึงประมาณสี่หรือห้าวินาทีถัดมาเท่านั้นร่างมือมาที่ขากระตุกสั่นพยิวอยู่ก็สงบนิ่งพลิกนอนตะแทงเหยียดยาวเลือดทะลักออกมาทั้งทางปากและบาดแผลตรงก้านคอซึ่งแน่และนัดเดียวไอเสียงตูมะนั่นลันโลที่ปลกขึ้นมานั่นแหละได้ตัดกระดูกก้านคออย่างเชียบขาด ไฮเกอเสียงคริสต์โกนลั่นจุดเสียงว่ามองเห็นขนัดต่างคนต่างเงียบและความเงียบก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งภายหลังกลางวานเสียงระเบิดของกระสุนและเสียงลนตูบลงมาดินอยู่กับพี่ของเสือใหญ่ขนาดแปดศอกตัวนั้นเหลือที่จะคาดชะเนยได้ว่าไอ้เสือตัว น, นั้นมาจากไหนและนีอยู่ในภาวะใดและกระสุนปืนดังมาจากไหนแต่ที่ประจักษ์ชนิดกับตาในขณะนี้ก็คือถ้าไม่ใช่เพรากระสุนประการสิทธิพุ่พวกกระเด็นกระดูกก้านคอมันจะก่อน ไม่หล่อนก็เชิดมุดคนใดคนหนึ่งคงขมองเหลวไปแล้วด้วยโรงเที่ยวสีเหลืองที่ยังอ้าเสียแค้างอยู่แต่ละดุนของเที่ยวนั้นขนาดหัวไม่มือเคืองๆยาวประมาณสามนิ้วระหว่างยังยืนอ่าปากค้างตัวแข็งกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงสีเท้าย่ามาตามพื้นกวดตรงโขดหินซ้ายมือออกไปซึ่งไม่ห่างนะฟังดูว่าไม่น้อยกว่าสองคู่ละอึดใจเดียวร่างของใครคนหนึ่งก็มองเหมือนภาพฝันเช่นกันก็โผล่ก้นแน่ของหินออกมาห่างเพียงแท่ไม่เกินยี่สิบหลา พร้อมกับไลเฟินในมือระพิีนทั้งเชิดวุคลคริสตินาล้องกล้องขึ้นพร้อมกันเมื่อแก้วตารับภาพของชายผู้นั้นถนัดเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นตะลึงงงจะยิ่งกว่าตื่นก็ ไ, ได้ใชความตกใจและมองเห็นเสือใหญ่ลอยลงมาชักท ว, ทวดทวดอยู่ตรงหน้านับร้อยเท่าก็มันเปรียบเสมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่สองชายผู้นั้นไม่ได้กล่าวคําใดทั้งสิ้นแต่โบกมือให้ แล้วก้าวพูดยาวๆวรวดรวดตรงเข้าหายอย่างรวดเร็วติดตามกระชานที่ย์ะเบื้องหลังในลักษณะวิ่งเหยาะๆพร้อมกับกูโกนโวกเวฟฟังไม่ได้จับไปหมดคือตาเท้าบุญคำและจันทร์รานพื้นเมืองคู่ใจทั้งสองของเขาเชิด ว, วุฒิได้สตีกรีสทิ้งลายเฟื่อในมือลงทันทีแล้ววิ่งสวนเข้าไปหาด้วยความดีใจขี่สุดจนลืมตัวพอถึงก็กระโดดทุกขอดรัดร่างของจอมพรานไว้แน่นโกนเอ็ดอึงไปหมดรบพินผมไม่ได้ฝันไปคุณจริงๆด้วยคุณตามมาแล้ว สุภาพบุรุษไทยกอดตอบแน่นกระชับใบหน้าของเขายังเครียดเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่ก็มีแววปรีดาสมหวังต่อมาก็จับต้นแขนของเชิดวุฒิดันออกไปห่างตัวสมรวจตลอดใบหน้าและร่างกายถามห้าวลึกว่าคุณเรียบร้อยปลอดภัยดีไม่ใช่หรือครับคุณวุฒิผมปลอดภัยที่ชายเราทั้งสองปลอดภัยดีที่สุดแต่ไม่นึกว่าจะได้พบเห็นคุณอีก ชิดวุฒรัวลิ้นแทบไม่เป็นภาษาดีใจจนพูดอะไรฟังอะไรแทบไม่รู้เรื่องระหว่างที่พรา ญ, ญา ย, ยังจับแขนเชิดวุฒต่างคนต่างเขย่าทักทายสํารวจกันอยู่นั้นบุญคากับจันก็วิ่งตรงไปยังคริสผู้ใบหน้าแดงกล่ำไปด้วยทั้งสองโอกนเรียกชื่อหลอนแล้วตรงเข้าไปห้อมล้อมไว้คริสิหน้าโผเขากอดบุญคาไว้เต็มอ้อมครั้งหนึ่งแล้วหันมากอดจันทไว้อีกครั้งหนึ่งหล่อนเองก็พูดอะไรไม่ออกในขณะนี้นอกจากกายอันจันเทิมด้วยความปลาปรื้มปิจิน้ําตาคลอ และในที่สุดก็หัวเราะทั้งร้องไห้ระพินไรวันตบต้นแขนเชิดวุฒหนักๆสูดลมหายใจลึกคุณสามารถมากคุณวุฒที่ดิ้นรนหาทางออกมาจากไอ้ถ้ำนรกนั่นมันเกือบจะฝังคุณกับคริสไว้ทั้งเป็นได้ผมนึกว่าอย่างเก่งที่สุดผมก็แค่มาตามศพคุณเท่านั้นแต่นี่คุณก็พาคริสออกมาจนได้อย่างที่ผมคิดไม่ถึงคุณแน่จริงๆกล่าวเพียงแค่นั้นเขาก็ปัดตัวเชิดวุฒ เกาะตัวเขาแฉ่ร้องโวยวายไม่เป็นภาษาให้หลบไปก่อนเดินตรงเข้าไปที่คริสติน่าพว ก, กําลังจ้องมองเขาอยู่ก่อนแหละต่างคนต่างมองตากันนิ่งจุภาพบุรุษชายเอานิ้วเสยปีกหมวกขึ้นร้องทักมาเบาๆวาว่าคริสคุณไม่เป็นไรมากไม่ใช่หรือแล้วก็ส่งมือไปให้จับคริสติน่ากลัํากลืนอะไรเช่นนี้หนึ่งลงลําคอ เอืมือมาจับเขากระชับแน่นแน่นที่สุดแล้วมื่อรู้สึกว่าเขาจะฉุดดึงเข้ามาหล่อนก็ผวาเขากอดคอเขาไว้หลับตาลงระพินระพินระพินหล่อนพร่ำนามเขาจ้ำๆในที่สุดคุณก็ตามมาช่วยเราจนได้เชิดเชิดวุดบอกฉันแล้วว่าคุณจะไม่มีวันทอดทิ้งเราความปิติยินดีที่ต่างฝ่ายต่างได้มาพบเห็นหน้ากันอีกครั้งทําให้บรรยากาศในที่นั้นจับจน ชุลมุนไปหมดชั่วขณะพูดทักทายกันแจ๊ดจนฟังไม่ได้สับบุญคํากับจนันแทบจะตรงเข้าไปแบดช่วยบุญขึ้นบ่าหัวร่อราใช้โย โ, โหร้องกันไปหมดชดบุญนั้นโยนหมวกร้อยซึ้นไปกลางอากาศเสียงตะท่าบุญคําเอ็ดอึงว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยไว้แท้แท้นี่ถ้าพรานใหญ่บุญคําและไอจัน์ตามนายทหารจำแหม่มคริสไม่พบก็คงจะกลับไปดูหน้าพวกในห้างใหญ่ กับไอ้พวกนั้นไม่ได้อีกแล้วโชคดีจริงโวยที่ทั้งสองคนยังรอดอยู่ได้ฮ่าฮ่าทุกฝ่ายดีใจตื้นกันไปหมดไม่ว่าฝ่ายศูนย์หายไปหรือฝ่ายติดตามที่มาพบเห็นกันอีกครั้ ง, ท, งทั้งทั้งที่แทบจะมีความไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยปรับพินปล่อยให้คริสผู้อาจอยู่ในภาวะลืมตัวพระตื่นเต้นยินดีกอดทนยิ่งอยู่อึดใจใหญ่และตบเบาๆที่แผ่นหลังหล่อนเหมือนจะเป็นการปลอบใจต่อมา ตอนก็เป็นฝ่ายรู้สึกตัวผละออกจากเขาจ้องหน้าเหมือนจะให้แน่ชัดที่สุดว่าตาไม่ฝาปริมฝีฝาสั่นอาการของหล่อน mm hmm. อยากจะพูดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นได้อย่างไรยิ้มทั้งน้ำตาที่ไหลพราก mm hmm. สบายใจได้แล้วคริสเชิญวุฒเอาล่ะเรามานั่งคุยกันให้สบายเถิดไม่มีอะไรเร่งร้อนรีบด่วนอีกแ ล, mm hmm. แล้วเขาพูดขึ้นรวมๆถอดหมวกออก พร้อมกับเป่าลมพลูออกจากปากหันไปมองดูซากเสือใหญ่ที่เพิ่งจะสงบการยิ่งชักไบหยกหยกและก้าวสูบเข้าไปใช้เท้าเคียดูดเชิดวุฒคริสและบุญคําจันทร์ก็ตรงเข้ามาลายล้อมที่ซากนั้นพอเห็นขนาดและสีสันทร์ที่ประหาดไปจากเสือโคร่งธรรมดาของมันได้ถนัดทั้งเชิดวุฒิคริสก็กลืนน้าลายลงคอฟืดฝืดอะไรจะนี่มันไปไมาอย่างไงมายัางไงเชิดวุดิร้อออกมาพร้อมทั้งสีหน้าเหยเกย์ขณะที่คี้ไปที่เสือตัวนั้น ผมตามหลังคุณทั้งสองมาเข้าใจว่าจะเวนระยะกันประมาณสักชั่วโมงเศษเท่านั้นจอมพรานบอกต่ำๆอวบุรีใบตองแห้งที่ทัดหูไว้ขึ้นมาแนบไว้ขึ้นมาเน้นข้าบไว้กับฟันหน้าแล้วสบัดไลเตอร์จุด อ, อัดควันอย่างเยือกเย็นตามมาทางเดียวกับเส้นทางในถ้ำที่คุณค้นพบทางออกนั่นแหละเห็นรอยทาของคุณทั้งสองละมาที่นี่ดีใจมากรีบแกะอรอยมาทันที เข้ใจว่าคงจะมาพักกันอยู่บริเวณนี้ปรากฏว่าพอเข้ามาใกล้ก็เห็นคุณสองคนนอนหลับกันอยู่คงอ่อนเพลียมากที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้านี่เขาบุยปากไปที่เสือใหญ่นอนตายอยู่มันช่วยโอกาสตอนที่คุณทั้งสองนอนหลับไม่รู้ตัวย่องกลิบเป็นแมวเข้ามาแต่มันก็ไม่ทันไว้ตัวว่ะพวกผมตามมาข้างหลังอีกทีหนึ่งก็เห็นอาการของมันเข้าพอดีมันเฝ้ามองคุณทั้งสองอยู่นานพอสมควรทีเดียวทําให้ผมกับพวกนี้ไม่กล้า ขยับเขยื่อนนอกจากซุ้มดูอาการของมันนิ่งโชคดีที่เราอยู่ใต้ลมมันนาทีสุดท้ายที่ผมต้องตัดสินใจยิงก็เพราะมันไต่ขึ้นไปบนโขดหินก้อนนู้นและตั้งท่าจะกระโจนลงตกครุบเพราะมันเ็นผมก็เหนี่ยวไก่ก็แค่นั่นเองคริสติน่าหลับตาลงอีกครั้งส่วนเชิดวุฒหัวเราะเสียงไม่สดใสนะสกิทไม่เพื่อนสาวดูเอาเถอะคริส เราอุตส่าห์ตะเกียกตะกายรอดพ้นจากถ้ำนรกนั่นออกมาได้แล้วแต่ในที่สุดก็จะมาตายยังง่ายงายตรงตำแหน่งที่เราเห็นทางรอดอยู่แล้วนี่เองถ้าพลานใหญ่ตามมาไม่ทันว่าแล้วเอวุตก็ก้มลงสำรวจ ด, ดูรอยกระสุนขนาดจุดสี่ห้าแปดรูเบอร์เลอร์ที่ทะลุก้านคอด้านนึงผ่านออกไปอีกด้านนึงพร้ากับจุป่าโครงหัวยิงในขณะที่กระโจนกระสุนตัดกระดูกก้านคอพอดี เธอนัดไหนนัดนั้นเชื่อใจได้เสมอสำหรับมคุเทสนำทางของเราที่มันเสืออะไรกันนี้ไม่เคยเห็นขนาดยังกระเสือเบงกอแต่ลายมันที่กลนเขาไม่เรียกเสือหรอกนายทหารไอ้อย่างนี้เขาเรียกสางบุญคำสอดมาดังๆสางอะไรกันบุญคำหมายถึงเสือชนิดพาดกรอนที่อยู่มานานและแก่เต็มทีจนกระทั่งหมดลายริ้วดำหล้วจะพื้นสีเหลืองฟาง อย่างไอตัวที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับชาวป่าเรียกกันว่าสางความจริงมันก็คือเสื อ, สอแก่มากๆนั่นเองประพินบอกเบาๆเชิดวุดเพิ่งจะเข้าใจลืมตาโตครางออกมาว่าอ๋องั้นหรอกเลยแต่เท่าที่เห็นอยู่นี่ไม่เห็นจะบอกท่าเลยว่ามันเป็นเสือแก่ฟันฟางเขี้ยวเล็บยังสมบูรณ์จำยังใหญ่เลือขนาดยังกระลูกม้าอีแบบนี้ ย่ำกล่วมเดียวขมองเละเลยนี่ถ้าคุณกับสองคนที่ตามมาช้าอีกวินาทีเดียวผมกับคริส ท, ทั้งทั้งที่รอดตายออกมาได้แล้วแต่ก็จบสิ้นเกมกันอยู่ตรงนี้เองเฮ้อเจ้าปกคุณเอ้ยโชคดีเหลือเกินจันเห็นจันเห็นมันก่อนอึดใจใหญ่แล้วแต่พลานใหญ่ห้ามไว้บอกให้ดูท่าทีมันก่อนมันอาจไม่ทำอะไรนายทหารกับนายแหม่มที่กาลังหลับอยู่ก็ได้ที่ไหนได้ มันจะขำ ม, มั่มจริงๆแหละแกตัดสินใจยิงตอนมันกระโจนถนัดนั้นผิดในทหารเรื่แมแหม่มคริสก็ตายไปแล้วจันบอกปนหัวเราะเชิดวุดโครงหัวอยู่เช่นนั้นมองดูเขาด้วยสายตาบ้องแบลโธ่ระพินนะ่ลระพินทำไมคุณไม่ซัดมันเื่อก่อนเลยตอนที่เห็นมันป้วนเปี้ยนเข้ามาต้องรอให้มันโดดใส่เราเสก่อนผมไม่อยากทาเสียงเอกระทึกเครือครโโดยไม่จาเป็น ถ้าคุณทั้งสองกําลังหลับอยู่สังเกตดูว่าคุณคงอ่อนเพลียมากจึงอยากจะให้พักกันให้เต็มอิ่มจะก่อนแม่ผมจะตามมาพบแล้วก็ตามถ้าไอเสือตัวนี้เลี้ยงไปเจ้ทางอื่นผมก็จะไม่ยิงและปล่อยให้คุณทั้งสองนอนจกนกว่าจะตื่นเองและเห็นทั่วผมมาร่วมด้วยอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไม่ยิงแค่แต่แรกเห็นเขาตอบเปรียบๆทว่ากลอคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างคาร์พินคริสถามขึ้นโดยเร็ว ภายหลังจากระ ง, งับความตื่นเต้นลงได้และเลิกสนใจกับเสือใหญ่ตัวนั้นเชิดบุตก็เพิ่งนึกขึ้นได้จ้องเขาง้าเขม็งจอมพรานยิ้มครึมๆทุกคนของพวกเราปลอดภัยเรียบร้อยดีครับโปรดอย่าห่วงมีบาดเจ็บกันบ้างคนละเล็กละน้อยไม่เท่าไหร่นักหรอกตั้งแต่หินถล่มเมื่อเย็นวานก็มีคุณกับคุณเชิดบุตเท่านั้นที่หายสาบสูญไปใต้กองหินถลม่มทําให้พวกเราเป็นห่วงกันมากผมสังเกตดูคนสองคนถึงแม้จะปลอดภยัย ก็สะบักสะบอมลืเกินโปรดนั่งพักกันก่อนเถอะครับรเดี๋ยวผมจะเรียกให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบโดยละเอียดทางด้านฝ่ายผมและขอทราบถึงทางด้านฝ่ายคุณสองคนบ้างกล่าวจบเขาก็ประคองแขนคริสและเชิดบุทธให้กลับไปนั่งพักใต้ร่มเงาศักใหญ่ตามเดิมทั้งสองสุดกายลงนั่งหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมรวมห้าคนบรรยากาศอันตึงเครียด สางสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่ความเฉพาะความพิ่โศงสงสัยของแต่ละฝ่ายที่เพิ่งจะพบกันเท่านั้นซึ่งมีเรื่องที่จะต้องซักถามอธิบายกันมากปรพินสํารวจดูสีหน้าและสภาพของร่างกายบุคคลทั้งสองที่เขาเพิ่งตามพบอย่างละเอียดที่สุดและถอนใจเฮือกแลาวกับยกพวกเขาออกจาก อ, อกแต่ถึงเกินนั้นก็ยังอดรู้สึกสมเพศไม่ได้จากสภาพของเสื้อผ้าที่ทั้งสองสวมใส่อยู่ มันขาดวินกระลุ่มกระลิงแทบไม่มีชิ้นดีเชิดวุฒนั้นเป็นผู้ชายก็ไม่เท่าใดนะแต่คริสตินา่าแม้จะเหลือให้เห็นว่ามีเสื้อและกางเกงชุดเดินป่าอยู่ก็แทบจะปิดผิวสีชมพูตำแหน่งอันล่อแหลมไว้ไม่ได้ใบหน้าก็เต็มไปด้วยริ้วรอยของหินบาดและกระแทะบางแห่งเลือดซีเป็นบาดแผลและบางแห่งก็ช้ำเขียวอยู่ทั่วไปแต่ยามนี้หล่อนไม่กังวลต่อสภาพของร่างกายตนเองเท่าใดทั้งสิ้นแววตาสีฟ้างามเป็นประกายขึ้น ลักษณะท่าทีของหล่อนยาวนี้ไม่มีวี่แววของความไวตัวหรือว่าซ่อนขมลึกลับใดๆอย่างที่เคยเห็นเหลืออยู่เลยนอกจากประกายแห่งความยินดีที่ได้พบการติดตามของฝ่ายเขาประพีนคุณอย่าปิดบังเรานะด็อกเตอร์แลี่คีและเบลอยังอยู่เรียบร้อยดีหล่อนพยายามถามไปถึงพวกพวกยังห่วงใยผมไม่ปลดคุณหรอกพวกคุณทั้งสามคนยังอยู่และปลอดภัยแน่นอนอย่างช้าก่อนบ่ายสี่โมงเย็นจะถึงนี่ คุณจะได้พบเห็นพวกเขาซึ่งไปคอยอยู่ที่ห้วยเสือร้องรอรับฟังเขาของคุณสองคนอยู่แล้วหรือพอเราเริ่มออกเดินทางให้พ้นจากบริเวณอับคลื่นวิทยุนี่เอาไปสักนิดเราก็จะใช้วิทยุติดต่อกับพวกเขาล่วงหน้าได้เลยว่าแต่เสื้อผ้าของคุณกลายเป็นเศษผ้าไปหมดแล้วมีชุดสำรองมาด้วยหรือเปล่าประโยคหลังก็ถามคลิสยิ้มซึมซึมฉันมีสำรองอยู่ชุดหนึ่งในเครื่องหลังแต่ตอนนี้ช่างมันก่อนเถอะเอาไว้อาบน้ำเสียก่อน แล้วฉันจะเปลี่ยนใหม่ไม่ติดตายอยู่ในถ้ำนั้นก็นับว่าบุญที่สุดแล้วและเมื่อทราบจากคุณว่าพวกเราทุกคนปลอดภัยก็ยิ่งดีใจที่สุดกล่าวจบหล่อนก็ส่งมือมาให้เขาระพินยังไม่เข้าใจนะแต่ยื่นมือส่งให้คริสจับบีบกระชับและสันแรงๆพูดช้าๆว่า t h a n k you thanks for everything you are great, really great รปินสันปีศาชา้า มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วคริสไม่จําเป็นที่คุณจะต้องขอบอกขอบใจอะไรหรอกถึงผมเองก็ยังะระลึกถึงบุญคุณของคุณอยู่เสมอไม่เคยลืมตอนที่ผมตกเหวรวมแล้วคุณไต่เชือกลงไปช่วยหิวเอาผมขึ้นมารวมทั้งช่วยเยียวยารักษาพยาบาลคุณเองกับคุณเชิดวุฒก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันหาไม่เช่นนั้นก็คงสแสวงหาทางรอดจากใต้ถ้านรกนะั่น ออกมาสู่โลกภายนอกได้หรอกผมตามพบคุณทั้งสองก็จริงจะเป็นกระตามพบภายหลังจากที่คุณทั้งสองสแสวงหาทางออกเองแล้วและทำแม้ว่าผมไม่มาตามหรืองมผิดทางไปทางอื่นคุณสองคนก็จะต้องแกะรอยตามไปจนพบพวกเราส่วนใหญ่ได้เองแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นใช่ใช่ใชเชิดวุฒิพยักษหน้ารับหน้าตาเฉยถ้าหากว่าทั้งผมและคริสจะไม่ถูกไอเสือ ลื้อสางตัวนั้นไขย่างเป็นเหยื่อไปเสียก่อนตอนที่เราหมดแรงนอนหลับกันอยู่โดยไม่รู้ตัวรอดตายจากใต้ถ้ำหินกรดแต่โผล่ขึ้นมาเป็นเหยื่อเสือเพราะชนล่าใจว่ารอดตายออกมาได้แล้วคุณอ่านไม่รู้สึกอะไรหรอ ก, กรับพินเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วแต่สาหรับผมและคริสยืนยันอีกครั้งว่าการเห็นหน้าคุณเหมือนเห็นพระเจ้ามาโปรดงั้นแหละคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รับคํำขอบคุณจากเรา แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามความรู้สึกขอบคุณของเราในการตามมาช่วยเหลือได้อย่างทันการเรียกว่าช่วยเซี่ยวของวินาทีขณะที่ไอเสือระยําตัวนั้นโดดเข้าใส่เราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวบุญคํากับจันรู้หน้าที่ของตนเองดีเริ่มหาฟืนก่อไฟต้มกาแฟทันทีความรู้สึกอันหนักอึ้งมาตลอดของสองพรานอาวุโสบัตรนี้หมดสิ้นลงแนละความดีใจที่ตามพบโชิดบุตรและแมมคริส ได้ตัวกลับคืนมาย่างปลอดภัยชนิดที่เกินคาดฝัน ท, ท, ทั้งที่ทั้งสองต่างหมดหวังแล้วทำให้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยแม้ว่าจะกรากกล้ำกันมาตลอดทั้งคืนแค่มีโอกาสพักสองามชั่วโมงเมื่อใกล้รุ่งนี้เองก่อนจะมุดทาติดตามกันต่อระพินนั้นความเคยชินต่อเหตุการณ์ทำให้เขาปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง ส่วนเชิดวุฒกับคริสดูเหมือนจะงงงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่า น, นี้จะเป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่ฝันไปทั้งทั้ ท, ที่มานั่งล้อมมงเห็นหน้าคุยกันอยู่ท่ามกลางแสงสว่างจ้าของทีิวาการริมโขดถิ่นใต้ร่มเงาป่าแล้วเช่นนี้พรานใหญ่นั้นเข้าใจดีก็ยังไม่ซักถามอะไรให้คนทั้งสองซึ่งอยู่ในภาวะสับสนต้องให้เร่งพูดอะไรกันไปนักปล่อยให้สงบจิตสงบใจให้ราบคาบดีที่สุดเสียก่อน ต่างฝ่ายต่างมองดูหน้ากันเองไปมาโดยยังไม่รู้จะพูดกันยังไงต่อไปเอางี้ครับประเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงทางด้านฝ่ายผมให้คุณทั้งสองคนฟังทางคุณลองค่อยๆลําดับภาพและเล่าให้ผมฟังก่อนดีกว่านับตั้งแต่หินมันเริ่มถลม่มลงมาใกล้ค่ำเย็นวานจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่เรจาจะใต้ทามานอนหลับกันอยู่ตรงนี้จอมพรานเอ๋ยขึ้นเดินน้าเสียงอ่อนโยนเชิดวุฒิสกิดคลาส คริสติน่าและพยักหน้าคุณเป็นฝ่ายเล่าให้ลรพินฟังดีกว่าคริสเพราะครั้งแรกผมก็น็อกหินสลบลืมโลกไปชั่วขณะตอนนั้นก่อนที่จะช่วยให้ผมฟื้นขึ้นมาได้คุณจะต้องรู้เห็นอะไรดีกว่าผมโอ้กอดคริสคลางเบาๆเอามือกุมศรีรษะอย่างพยายามจะทบทวนลำดับภาพแล้วหล่อนก็บรรยายให้พรานใหญ่ฟังโดยเริ่มต้นจากวินาทีที่หินภูเขาเริ่มจะเกิดการจันสะเทือน และร่วงลงมาไปตามจริงการชักช้าเสียวเวลาทําให้แผนการที่นัดแนวไว้กับบุญคําและจันทร์ต้องพลาดไปก็เพราะมีข้อขัดแยงระหว่างหล่อนและเชิดบุตรซึ่งเขาเป็นฝ่ายยั่วโทสะทําให้หล่อนชุนเฉียวโมต่ทะเลาะด่า ว, ว่าบริภาททุบตีกันอยู่เรื่องนี้หล่อนเล่าไปตามตรงแต่ไม่บอกว่าเชิดบุตรร้องเพลงยั่วหล่อนด้วยเนื้อร้องหยาบคายเช่นไร และนั่นคือสาเหตุที่ล่าช้าเสีย เ, เวลาอยู่ในช่วงวินาทีวิกฤตทําให้ไม่ทันสังเกตว่าบุญคํำและจันมุดลอดเข้าไปทางช่องที่กําหนดนัดหมายไว้อยู่ก่อนแล้วการรอดตายในช่วงขณะของหล่อนเวลานั้นเกิดขึ้นเพราะเชิดวุฒิจับหลอนโยนส่งเดชเข้าไปในโพรงถ้ำที่เคยได้รับทราบมาก่อนว่าเป็นทางตันพร้อมทั้งเขาก็โจนตามหล่อนเข้ามาด้วยแล้วโลกของหล่อนกับเชิดวุฒิก็ถูกตัดขาดจากโลกของพรกพวกภายนอกโดยสิ้นเชิง ผมนึกแล้วว่าคุณกับคุณเชิดบุษจะต้องมุดเข้าช่องถ้าผิดแน่หรือมิฉะนั้นก็มัวแต่ล่าช้าอยู่ทุกหินบดทับแหลกละเอียดฟังไปเลยกระพินบอกมาเบาๆเขาหนานเครียดและดูกระด้างรกกระพินของเขาบัดนี้เริ่มมีแววแจ่มใสขึ้นพยักหน้าเตือนให้หล่อนเล่าต่อคริสเล่าถึงโถงถ้าอันมืดวิดที่หล่อนเข้าไปนอนกลิ้งอยู่ซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเชิดบุษผู้เบียงหล่อนเข้ามาอยู่ที่ เข้ามานั้นอยู่ที่ไหนเล่าถึงเสียงตะเก็นอื้ออึงเอากับแผ่นดินไหวอันเกิดจากหินถล่มทับโถมลงมาจนกระทั่งมันสงบสิ้นลงจากนั้นหล่อนก็ตาห ล, ล่อนก็ตามงมหาเชิดวุฒิภแก้ไขจนกระทั่งเขาได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกฉันคิดว่าเขาตายแล้วแต่โชคดีมากที่เขาไม่มีอะไรสาหัสนอกจากบาดแผลหินบาด ท, ที่ใบหน้านั่นพร้อมพูดหล่อนคิดไปที่หน้าผากของเชิดวุฒิ ยังมีพลาสเตอร์ยาปิดอยู่แต่บัดนี้ดำสกปรกบูบี้สิงแรกที่เราทำภายหลังจากเชิดวุดคืนสติขึ้นมาได้ก็คือพยายามเรียกทางวิทยุเราเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งแม่ผมทองพูดพร้อมกับยิ้มปลายักไหลไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับเรามาเลยมันจะแยกออกจากกันคนละโลกเสียแล้วทางด้านฝ่ายผมทุกคนที่อยู่ข้างนอกก็เรียกคุณทั้งสองตลอดเวลาเหมือนกันครับ ก็ไม่มีเสียงตอบเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะคลื่นวิทยุของเราทั้งสองฝ่ายไม่อาจส่งถึงกันได้มันเกิดจากที่อั บ, บทึบภกเขาหินที่ฝังคุ้นอยู่ทั้งลูกด้วยนี้ฉะนั้นก็เป็นบริเวณที่อับคลื่นวิทยุอย่างที่เราพบกันมาแล้วเอาละครับต่อไปสิปราพินว่าแล้วบอกให้หล่อนเล่าต่อคริสเล่าถึงการพยายามหาทางออกภายหลังจากนั้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ ที่มีความหวังอยู่แค่ลิบหลีว่าเมื่อยังมีอากาศหรือออกซิเจนหายใจกันอยู่ได้ก็แสดงว่าน่าจะมีทางติดต่อทะลุออกไปยังโลกเบื้องนอกได้เล่าถึงการสแสวงหาช่องทางในทุกด้านเท่าที่จะมุดซอกซอนกันไปได้จนกระทั่งหมดแรงก็ยังมองไม่เห็นความหวังผลที่สุดเวลาประมาณสี่ทุ่มเสร็จทังหล่อนและทวพวก็ต้องมาพักนอนกันอยู่ในกลางถ้าอันมีลักษณะเป็นโถงซึ่งมีรูปหนอนหินลักษณะเหมือนคนยืนหัวขาด แล้มีแอ่งน้ำพุไหยรินลงมาขังเป็นแอ่งเล็กๆกินอาหารประ ท, งทังชีพจากเลเชนแล้วก็หลับไปด้วยกันเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้เชิดบุตรมองหน้าแม่ผมทองนิ่งรอฟังอยู่เหมือนกันว่าหล่อนจะบอกความจริงระพินหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่คคลสเวนระยะไปครู่จิบกาแฟจากบุญคำที่ต้มสุกและส่งมาให้หล่อนจิบวางหน้าปกติและไม่ศบตาเชิดวุตรที่มองนิ่งอยู่ก่อนแล้ว เทสติน่าก็คงเหมือนผู้หญิงธรรมดาธรมทั่วๆไปนั่นเองอันไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวรับเฉพาะหล่อนก็ไม่เอ่ยอ้างถึงอีกเลยโดยข้ามเหตุการณ์ไปถึงตอนใกล้ลุงที่หล่อนจะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เพราะหูแว่วเสียงเรียกน้ำลายล่าอันเป็นนามเดิมของหล่อนกลงวานจะทานกล้องไม่ยังลึกลับหาที่มาไม่ได้ซึ่งมั น, เ ป, นเป็นการปลุกหล่อนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยปลุกเชิดวุดขึ้นมาด้วยเพื่อสแสวงหาลูทางออกต่อไป เมื่อหลอนเล่ามาถึงตรงนี้ระพินพรยวันยิ้มน้อยๆในสีหน้าถามว่าคุณบอกว่าคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณแววสะท้อนมาว่าลายล่าแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาใช่ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงประหลาดนั่นแหละเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ใจฉันอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณเชิดวุฒิได้ยินด้วยหรือเปล่าครับนายทหารหนุ่มซันศีษะผมหลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยครับ ตื่นขึ้นก็เพราะคริสปลุกและเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมแน่ใจว่าเขาผ่านฝันไปแล้วมีเธอนั้นก็หูฝากแล้วเขาก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆผมเลยเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่านามเดิมของเขาคือไลลาอามิเจตตอนที่คุณได้ยินและตื่นขึ้นตอนนั้นเวลาประมาณสักเท่าไหร่จอมพลานถามเรียบเรียบจุดบุรีอีกตัวหนึ่งตีห้ากว่ากว่าเห็นจะได้หล่อนบอกและเชนรุรูก็เสริมมาว่าครับเราๆนั่นแหละเพรนับจากนั้น ที่เป็นเวลาที่เราเริ่มต้นแสวงหาทางออกกันอีกครั้งจนกระทั่งสําเร็จออกมาถึงที่นี่ได้คริสเขาเรียกหล่อนเบาๆเป่าควานบุรีลงต่ําถ้าผมจะบอกอะไรคุณสักอย่างคุณจะเชื่อไหมันทําหน้าตื่นไม่เข้าใจคําพูดของเา้าคุณจะบอกอะไรเสียงที่คุณได้ยินเป็นเสียงของผมเองและที่ตะโกนเรียกคุณออกไปฮะว่ายังไงนะทั้งคริสจะเชิญพุทธพงษ์โดยเฉพาะคริสจะดุง้งจนด้วยพลาสติกบรรจุกาแฟกระชอก ต่งจ้องหน้าเขาเขม็งปรพินอัดควันบุหรี่ลึกก้มจิษะลงครับเสียงเรียกของผมเองเป็นเสียงที่ผมทดลองตะโกนออกไปเพื่อทดสอบกับเพดานถ้ำเนื้อศีสันระหว่างที่ผมงมอยู่อีกด้านหนึ่งว่ามันจะมีเสียงสะท้อนเป็นในลักษณะไหนผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุใดตอนนั้นผมจิ้มตะโกนเรียกนามเดิมของคุณแล้วก็ฟังเสียงของตัวเองที่ก้องกลับไปกลับมาใก่สูงวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินไม่ได้เกิดจากขูฝาดความฝันหรืออุปทานแต่เป็นความจริงมันเป็นเสียงที่สะท้อนไปจากผมซึ่งขณะนั้นยังอยู่อีกซอกถ้ำหนึ่งห่างจากคุณออกไปโดยจะนับตัดเป็นเส้นตรงผมว่าคงไม่เกินห้าสิบเมตรเท่านั้นแต่บังเอิญผนังถ้ำอันสลับซับซ้อนเหมือนกันเป็นฉากเป็นชั้นไว้คุณเรียกชื่อฉัน้นคริสตินาล้องันอีกครั้งเบิกตา ใช่ผมเรียกชื่อคุณตะโกนสุดเสียงเลยใช้วิธีป้องปากตะโกนขึ้นไปบนช่องเพดานเนื้อศี่รษะของผมไม่เชื่อคุณลองถามบุญคำกับจันดูสิทั้งสองคนนี่ยังงงนึกว่าผมร้องอะไรบ้าๆออกไปเพราะคลุมเครลั่งเสียสติกระมังก็ปรากฏว่าเสียงของผมที่ตะโกนออกไปครั้งเดียวนั่นแหละไปปลุกคุณซึ่งถ้าคุณไม่ใช้วิธีเดียวกันตะโกนตอบมาบ้างซึ่งถ้าคุณจะใช้วิธีเดียวกัน ตะโกนตอบมาบ้างผมคงได้ยินแว่วๆเหมือนกันเอาละเหตุการณ์มันทำท่าจะมาประสานรอยกันได้แล้วกระเดี๋ยวผมจะเล่าทางไฟล์ผมบ้างว่าเราติดตามคุณมายังไงตอนนี้คุณว่าไปให้จบก่อนคริสอึ้งไปนานแล้วหน้าแดงซ่านรอนตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อได้ยินเขาเล่าเช่นนั้นส่วนเชิดวุฒิยังงงหันไปมองหน้าแม่สาวผมทองเอ๊ แล้วลรพินรู้นามเดิมของคุณได้ยังไงคริสฉันไม่ได้บอกคุณเองวูดบอนบอกเสียงสั่นคลือไปด้วยความปิติตื้นตันปรพินรู้จักนามเดิมของฉันว่าไลลาอามิเต่เพราะคุณจะอีกก่อนคุณจะอีกสาเหตุก็มาจากที่ว่าเบลปากบอนไปบอกเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของฉันเท่าที่เบลจะรู้ได้ให้เขาฟังจนหมดสิ้นเพื่อ้เขาทั้งเกลียดและกลัวฉัน เชิดวุฒิกระพริบตาทีเปลี่ยนสายตามาที่เขาประพินก้มหัวรับครับเบลเป็นคนบอกผมเองว่าคริสนั้นแท้จริงคือใครตอนที่ผมตะโกนเรียกใจผมนึกถึงคุณวุฒิแต่ปากทำไมถึงจันเรียกชื่อไลล่าออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งบุญคำกับจันตกใจกันใหญ่นึกว่าผมร้องไอ้ย่าเป็นแจ็คตื่นไฟเขาไม่รู้เหตุผลว่าผมตะโกนแบบนั้นขึ้นเพราะอะไรกล่าวจบพลานใหญ่ก็หัวเราะเบา หิบถ้วยกาแฟของเขาขึ้นมาจิบบ้างเชิดวุฒิจึงเพิ่งจะมารู้ความจริงเอาตอนนี้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาคริสก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขารู้ทั้งสิ้นได้แต่นั่งนิ่งอยู่เมื่อเราพินขอให้เล่าต่อคริสก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดถึงการสแสวงหาวิธีออกของเชิดวุฒิจนกระทั่งพบกับความสําเร็จและไต่ลงจากเขามาหยุดพักเผลอนอนหลับกันอยู่ที่นี่แล้วคุณตามเราออกมาทางไหนกันนี่สรุปท้ายหล่อน เป็นฝ่ายย้อนถามบ้างผมก็ตามออกมาโดยเส้นทางเดียวกับคุณ น, นั่นแหละจอมพรานบอกกะเวลาเปรียบเทียบกันดูแล้วเวลาที่ผมตะโกนเรียกชื่อคุณแล้วคุณทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วจึงเริ่มสแสวงหาทางออกทางด้านคุณใช้เวลาไม่น้อยกว่าสามสี่ชั่วโมงที่งมเส้นทางกันอยู่ในนั้นทางฝ่ายผมนะเมื่อตะโกนเรียกชื่อคุณทดลองเสียงสะท้อนดูแล้ว ผมกับบุญคำและจันทก็ไปนอนหลับพักกันอีกสองสามชั่วโมงเหมือนกันพอตื่นขึ้นมาสายมากและผมก็เริ่มไต่ขึ้นเพดานถ้ำบริเวณที่สังเกตได้ว่ามีช่องทางเชื่อมสูงขึ้นไปทันทีซึ่งเส้นทางนี้บุญคำกับจันทร์สำรวจไม่พบมาก่อนพอาะคนพบเส้นทางระดับสูงกว่าพื้นถ้ำได้การเดินของฝ่ายผมรวดเร็วกว่าฝ่ายคุณสองคนมากและเขาก็ยิ้มออกมากว้างๆอีกครั้ง คุณคงแปลกใจว่าเราใช้เส้นทางเหนือระดับพื้นถ้ำด้านเดินมาหยุดกระทั่งทะลุลงถึงถ้ำที่คุณทั้งสองเข้ามาติดอยู่และได้ตายลงไปสำรวจซึ่งก็พบกับร่องรอยการพักงานอของคุณทั้งสองวิเศษกระป๋องของเครื่องเลเซ่ร์ทิ้งอยู่มันทําให้ผมพบความจริงว่าคุณทั้งสองยังไม่ตายและมาติดอยู่ในถ้าตันนั้นโดยหลบก้อนหินที่หล่นลงมาเป็นพายุได้ทันครั้งแรกเราก็นึกว่าทั้งสองคนจะแหลกเหลวไปแล้ว เมื่อมาพบหลักฐานของการมีชีวิตรอดอยู่และขณะนั้นได้หายไปจากที่นั้นแล้วผมกับสองคนนี่ก็รีบแกะอรอยตามมาทุกระยะรู้ด้วยว่าคุณทั้งสองใช้วิธีไต่ขึ้นเพดานเหมือนกันโดยปีนขึ้นไปทางหนอหินสูงรูปคนหัวขาดนั้นยิ่งตามกระชั้นเข้ามาก็ยิ่งพบร่องรอยถนัดขึ้นทุกทีแสดงว่าผ่านร่วงหน้าปยกๆนี่เองกล่าวจประพินก็คว้ากระเป๋าเสื้อหยิบเอาปลอกของพุเคมีที่ชื่อยรุดจุดนำค่ะ และปักไว้ตามเส้นทางในถ้ำสองนันออกมาโยนลงไปให้ดูตรงหน้าและทั้งสองจ้องมองตะลุงค่อยๆหยิบขึ้นมาดูแล้วมองหน้ากันเองอีกเป็นยังไงเชื่อหรื อ, อยังวะ่ะผมตามหลังคุณทั้งสองมาในเส้นทางเดียวกันนั่นแหละโดยเว้นระยะแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นทั้งยินดีทั้งชุมชื้นคุณทั้งสองอยู่ในใจตลอดเวลาว่าในที่สุดก็แสวงหาทางออกจนได้ปลอกผอันที่สองซึ่งผมพบปักดิ้นซอกเห็นตรงบริเวณที่คุณไตรอยแตกขึ้นมากลางเขา แต่ตอนที่พบนั้นมันดับสนิทแล้วถ้าขอให้เชื่อเถอะว่าถึงแม้คุณจะมัว ง, งมงหาทางออกยังไม่ได้รออีกชั่วโมงเอ่ออีกชั่วไม่นานผมบุญคําและจันท์ก็จะต้องไต่ตามเพดานด้านสูงลงมาพบคุณในถ้ำตันนั้นแล้วอย่างเร็วที่สุดก็จะต้องเอาคุณสองคนออกมาตามทางเดิมที่ผมไต่มาตอนแรกโดยย้อนกลับทางเดิมจะปรากฏว่าในการตามแกะรอยคุณทั้งสองมานั้นกลับพบทางออกใกล้กว่าและเสียงน้อยกว่าทางเดิมเสียอีก รพินผมว่าคริสพูดถูกแล้วคุณยิ่งใหญ่จริงๆเชิดวุฒิพูดออกมาจากแก่นแท้ของหัวใจมองดูเขายัางศรัทธาและเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมสุภาพรุดไพรสันทิษะกล่าวตอบอย่างสงบว่าคุณต่างหากเชิดวุฒิที่ยิ่งใหญ่ทุกคนของพวกเราแม้แต่ผมเองก็ยังเชื่อแน่ว่าคุณสองคนตายไปแล้วที่ตามมานี่ก็จะตามเพื่อสารวจให้ได้วะ ทั้งสองตายอยู่บริเวณไหนที่แน่นอนเท่านั้นไม่นึกเลยว่าแม้คุณจะหลบเข้าช่องโพรงผิดเส้นทางกับบุญคำและจันซึ่งกำหนดไว้ให้ล่วงหน้าก่อนแล้วก็ยังอุตสาห์หลีกลบหินถล่มสงวนชีวิตไว้ในวินาทีวิกฤตได้และหลังจากนั้นทั้งๆที่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นทางตันทึบไปหมดคุณก็ยังสามารถเอาคริสรอดออกมาไดจากถ้านรกนั่นจนได ด้วยไหวพริปฏิพานผมนํามันพรานอาชีพเดินเขาเดิน่ํำอยู่แล้วแต่คุณไม่เคยมาก่อนคุณยังอุตสาห์ช่วยตัวเองได้โดยไม่งอมืองอเท้ารอความตายอยู่นี่เป็นสิ่งที่ผมยกย่องนับถือยิ่งบุตรชายท่านในผลยิ้มออกมาอย่างแห้งแรงที่สุดถอนใจยาวผมไม่ได้ภาคภูมิใจหรือคิดว่าตัวเองมีความสามารถเลยสองคนกับคริสนึกไม่นึกว่าไม่มีทางรอดแล้ว คุณพระคุณเจ้าและเจ้าเขาเจ้าทําเมตตาช่วยชีวิตให้ตั้งหากสรุปก็คือคนยังไม่ถึงที่ความภูมิใจดีใจที่สุดของผมกับคริสไม่ได้อยู่ที่ข้อที่ว่าเราสแสวงหาทางออกได้แต่อยู่ในข้อที่ว่าในที่สุดคุณก็ตามเรามาพบตั้งหากพบเอาวินาทีที่เราสองคนจะตายอีกเหมือนกันแล้วเชริวุฒก็หันขึ้นไปมองบนลูกเขาที่ตายกันลงมาแล้วอีกครั้งถามว่า แล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะผมงงไปหมดแล้วาะเขาลูกเดียวกันที่ถล่มใส่พวกเรานั่นแหละครับแต่เป็นจีกทางด้านตะวันออกของอีกฝากหนึ่งถ้างั้นผมกับคริสก็เข้าใจไม่ผิดแล้วรอยแต่ที่ผมสองคนไต่ปีนกันขึ้นมาเป็นรอยร้าวที่คงจะเกิดขึ้นใช่หรือเปล่าก่อนนี้มันคงจะปิดตานไม่มีทางออกด้านนะั้นครับใช่แรงสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวอันเกิดจากภูเขาถล่มทั้งลูก ทำให้เกิดรอยร้าวทั่วไปตามบริเวณหินเปลาะตรงที่คุณกับคริสไต่ขึ้นมาเพิ่งจะเป็นรอยแตกใหม่ๆซึ่งก็ช่วยยนระยะทางออกเห็นท้องฟ้าเร็วขึ้นอีกความจริงช่องทางเดินในเขาลูกนี้มีเชื่อมทะลุปลูกปปรงไปทั่วราวกับลังปลวกแต่ก็มีชั้นต่างระดับของมันเท่านั้นแม้แต่ในปล่องเหว ล, ลึกลงไปก็จะต้องมีช่องเชื่อมถึงกันได้เป็นแต่จะยังไม่มีใครสำรวจได้เท่านั้น ขณะนั้นกัดเท่าบุญคําซึ่งแยกไปนั่งคัตตมาถือได้สายสินพนมในอุ้งมือสวดอะไรเงียบๆอยู่ทางด้านหนึ่งก็เดินตรงเข้ามาพอถึงแกก็คว้าเข้ามือคริสก่อนผูกด้วยสายสินให้ที่ข้อมือแหม่มสาวมองดูอย่า ง, งงงงไม่เข้าใจพอผูกเสร็จแกก็หันมาผูกให้เชิดวุดบ้บางประพินหัวรอบเบาๆถามว่าทําอะไรนะบุญคําแต่งงานแม่มคริสให้หนายทหารเชริดวุดเหลยคาพูดของเขาสับประยอกเล่น จะดูเหมือนมันจะมีความหมายชอบโกนคริสหน้าแดงเชดวุดยิ้มพรายแต่ตาเท่าบอกว่าทำแม่มคริสจะแต่งงานกับนายทหารมันก็ไม่เกี่ยวกับบุญค้ำหรอกนายบุญค้ำผูกข้อมือรับขวัญแม่มกับนายทหารทหารที่รอดตายออกมาได้กับไม่ให้ผีซ้ำดั้มพลอยด้วยนึกว่าตายแล้วเชียวไหนถึงรอดออกมาได้ก็ไม่รู้โอมเพี้ยงขอให้เป็นสุขเป็นสุขมีลูกทักสองโหล ทนพุทดุ้งโหยงร้องเฮ้ยลุงคำผูกข้อมือรับขวัญที่รอดชีวิตออกมาได้แล้วไงถึงอ้วยพรฟังทำแม่งนั้นล่ะคริสจับหางเสียงตอนท้ายของบุญคำไม่ถนัดนะได้แต่ทำหน้างงๆงไม่รู้เรื่องรกระพินกัานหัวละวางหน้าเฉยแต่เช่าจเจาะแต่เท่า จ, อ, าจอมสับ ป, ประดกโบกมือทำหน้าขมเฉยเฉยเฮินนะบุญคำอวยพรให้อย่างนี้ก็ดีแล้วหรือจะไม่รับพร ไอคำให้ก็ตามใจประโยคหลังแกเอียงหน้าเข้ามากระซิบรับสิทำไมจะไม่รับโท่ลุงคำเชิดวุฒกระซิบตอบบุญคำคว้าแขนเชิดวุฒหมับชุดให้ลุกขึ้นยืนแล้วพอเดินเลี่ยงหางเอาไปเล็กน้อยโดยไม่สนใจว่าคริสจะจับตามองอยู่เช่นไรเอากันดื้อๆ ซ, ซึ่งซึ่งหน้างั้นแหละพบค้นระยะที่คนอื่นๆจะได้ยินก็ทำหน้าขึงขังกระซิบเชิงครูถามเบาที่สุดเมื่อคืนนี้หรือเปล่า อะไรที่ว่าหรือเปล่านะแม้ทาเป็นไก่เดี๋ยวซัดเลยจะทํามือกําหมัดขึ้นโทษวุฒหัวรอโทษลุงคนจะตายกันอยู่แล้วใครจะมีกระจิกกระใจยอย่าอย่ากหกไอคํานะถ้ากโกหกแล้วก็ต่อไปนี้ไม่ต้องมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้อีกแล้วเอาอไม่กหกก็ไมโกหกเทวดาตอบไอไ่อยอเมื่ออยู่กับบุญคําเขาก็เหมือนเด็กๆคนหนึ่งยอมให้แกปั่นหัวได้เกือบทุกชนิดไม่โกหกก็บอกมาสิแยกหรือโ no? น ลุงคำเขาเรียก yes หรือ no ไม่ใช่ yes เออเสียงมันฟังคล้ายๆกันนั่นแหละไหนบอกให้ชื่นใจหน่อยสิจะทำท่าเหมือนล้อตอกไม่มีผิด yes เชิญวุฒิจำใจต้องสารภาพบุญคำเอามือสับอากาศทำปากชึบมันต้องอยัางงาแล้วไงแล้วไงสเสด็จเสดาเสดาวรวกไหมกระแหม่มมเบลใครจะห่อแลด ก, กว่ากันก่อนที่ชิวุฒิจะตอบเช่นไร เสียงระพินไพวันก็ดังมาว่าคุณวุฒิครับอย่าหลวมตัวให้อิจาเท่าเจ้าเล่ห์จอมสับประดกนั่นหลอกอะไรได้นะใครครบก บ, บุญคำเสียคนเป็นหลายลายแล้วกลับมานี่เถอะเถิดวุฒิยิ้มแย่ๆรีบพระจะกลับมาร่วมกลุ่มทันทีบุญคำเอาคำปั้นทุป ก, กฝากมือดังฉาดสะบดอุบอิบว่าที่นายกูรู้ทันกูซะเรื่อยกําลังจะหลอกให้เด็กมันเล่าเรื่องตูนเตลให้ฟังกันสั้นหน่อยดันผามาเข้ามาซะและ้ว จะคบกันไม่ได้ก็อิตอนคอยขวางลำขัดคอยอยู่เรื่อยนี่แหละแล่แกก็หันมาค้อนขวับเดินลงไปอาบน้ำในลำธารคนเดียวรับพินและจันถือโอกาสรับประทานอาหารมื้อแรกของวันณตำแหน่งนั้นด้วยเพราะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต่างยังไม่ได้กินอะไรเลยอะไรเลยนอกจากน้ำเพราะมัวแต่บุกบั่นติดตามค้นหาบุคคลทั้งสองโดยทันทีชนิดไม่ยอมลาชาเสียเวลา บุญคำลั้นขณะนี้แยกตัวไปอาบน้ำในถานเจแล้วเสียงเชิดวุฒและคริสโกนเรียกให้ขึ้นมากินอาหารแต่ก็ขอผัดว่าอยากอาบน้ำอาบถ้าให้สบายใจเจก่อนคริสจึงเปิดเนื้กระป๋องจากเครื่องเรชั่นที่เหลืออยู่ของหล่อนนำเอกไปให้ตะเท่าแตเ่เภาตรงทานน้ำตำแหน่งที่แกนอนแช่อยู่จำอย่างฝากบรันดีที่เหลือติดย่ามหลังอยู่เล็กน้อยไปให้ด้วยที่แท่นหินใต้ร่มเงาบัดนี้ ได้ร่มเงาสักบัดนี้จึงมีเพียงสี่คนที่นั่งร่วมกลุ่มสนทนาสอบสักเหตุการณ์กันอยู่สำหรับเชิดวุฒคริสดื่มเพียงกาแฟเพราะกินกันก่อนหน้าที่จะม้อยหลับไปแล้วถึงคราวที่คุณจะเล่าถึงทั้งฝ่ายพวกคุณด้านบนบ้างละครับพี่ชายในบรรยากาศที่ไม่มีอะไรเร่งร้อนเพราะต่างฝ่ายต่างโล่งอกสบายใจกันได้แล้วเชิวุฒเตือนระพินขึ้นบ้าง เอาให้ละเอียดยิบนาทีต่อ น, นาทีเลยนะครับนับแต่หินถล่มร่วงลงมาแล้วพลูเข้าปะทะฝ่ายผม4ี่คนที่ไต่ขึ้นไปก่อนแล้วจึงร่วงเลยลงไปกรบทับพวกคุณที่เดินเล่นอยู่ในเส้นทางข้างล่างอีก4คนถัดไปซึ่งเวลามันก็คงจะห่างกันแค่ไม่เกิน1ิวินาทีเท่านั้นในเหตุการณ์เดียวกันที่เราเผชิญหน้าทั้งสองฝ่ายสองด้านรพินพูดช้าๆขณะที่กินอาหารไปพลาง คริสนั่งกอดเขาเอาหน้าซุกลงระวังแขนทั้งสองเลยแต่ลูกตามองจับมาที่เขานิ่งเชนวุฒเอื้อมมือมาจับขาของเขาบีบเบาๆโลกของเราทั้งสองฝ่ายถูกตัดขาดออกจากกันอย่างน้อยก็กว่าสิบสองชั่วโมงต่างฝ่ายต่างไม่รู้อะไรของกันและกันเลยทางด้านผมเล่าให้คุณฟังละเอียดหมดแล้วถ้าคุณจะบอกถึงทางด้านคุณโดยไม่ให้มีอะไรตกหล่นเลยก็จะดีมากผมจะพยายามครับเอาวะ ถ้าตอนไหนไม่เคลียร์หรือมีข้อสงสัยอย่างไรก็ซักถามก็แล้วกันแต่ก่อนจะถึงทางฝ่ายผมอยากจะให้คุณลองหันไปถามทางด้านจันกับบุญคําดูเจก่อนเพราะทั้งสองคนร่วมกันอยู่กับทางด้านคุณด้านล่างแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเพนนี้เป็นคนละทางคนละคู่ตอนนี้แต่คําไปอาบน้ําอยู่นู่นก็ไม่เป็นไรผมจะให้จันทเล่าเองถึงเหตุการณ์ตอนนั้นตอนที่เขาทั้งสองพยายามจะล้างคุณกับคริสเข้าไปในช่องทางที่กําหนดหมายตาไว้ก่อนแล้วแต่คุณทั้งคู่มัวแต่ทะเลาะทุบตีกันอยู่ จนหินมันร่วงพลูลงมาประโยคหลังเขากล่าวบนหัวเรอบเบาๆอย่างขันๆปัดนี้จากเรื่องร้ายที่เต็มไปได้วยความวิตกกังวลซึ่งผ่านพ้นไปแล้วจึงกลายเป็นเรื่องที่เมื่อย้อนคิดนํามาปฏิบติต่อเหตุการณ์แบบเล่าสู่กันฟังแล้วมันกลายเป็นเรื่องคบขันสนุกสนานไปคริสยังมองนิ่งอยู่ที่เขาเช่นเดิมแต่เชิดวุตเปลี่ยนสายตาร่าเริงไปยังจันทร์เป็นยังไงจันเหตุการณ์ตอนนั้นนะ ยันยิ้มแห้งๆลอดตายกันได้หมดทุกคนก็นับว่าบุญอักโขแล้วสมุนซ้ายของรพินพูดอ่อยๆพลางสันหน้าไปมาถอนใจเฮือกจันกับพี่คำก็มองเห็นอยู่แล้วว่านายทหารกับแม่มม่าจะหยอกเล่นกันอยู่อีตอนที่หินบุญหัวของเรามันคลื่นๆลงมายังกับฟ้าถลม่มแล้วความจริงตามลำดับขั้นตอนก็ถูกเปิดเผยออกไปให้คริสละเชิญบุษทราบจันเล่าถึงตอนที่บุญคำตะโกนเรียกสุดเสียง ขลาวิ่งเข้าไปจะฉุดทั้งสองให้เข้าช่องโพรงถ้ำตามนัดหมายและบุญคําก็ถูกหินก้อนแรกตกลงมากระทบคว่ํำหน้าลงตัวเขาเองเห็นว่ามันขับขันเต็มที่แล้วจึงโดดเข้าคว้าเข้ า, ข า, ขาลูกพี่ลากเข้าช่องโพรงถ้ำเอาตัวรอดไว้ก่อนเพราะจะไปมัวพะวงถึงเชิดบุตรและคริสอยู่ตอนนั้นก็มีหวังตายกันหมดในที่สุดทั้งสองพรานก็เข้าไปนั่งตัวสานฟังหินถลม่มใส่โถมทับลงมายัางช่องทางเดินแคบๆนั้นโดยเชื่อว่าทั้งเชิดบุตรและคริสคงจะหลบไม่ทันเหลวไปเละไปด้วยกันและทั้งสองคน ความหวังในข้อที่ว่าทั้งสองจะหลบทันจะเข้าไปโพรงที่เคยสํารวจไว้ก่อนแล้วเป็นช่องทางจันมีอยู่บ้างเหมือนกันแค่หวังไว้น้อยมากแหนมคริสก็นายทหารนะจันกับพี่คําไม่คิดว่าจะรอดอีกแล้วถึงหลบหินได้ถ้าเข้าช่องผิดก็ต้องไปติดตาอยู่ในช่องจันแน่ๆถ้าจะให้พ น, นันก็ต่อล้านบาทเอาบาทเดียวทั้งๆ ท, ท, ที่จันไม่มีเงินล้านก็ยังกล้าพนันได้จันบอกจากความรู้สึกแ ท, ท้จริงเชิดวุฒหัวเราะแล้วร้องว่า เอ้ยแช่งกันนี่หว่าตาจันไม่ได้แช่งนายทหารของมันก็เห็นกันแง่แงอยู่แล้วมีอย่างเหรอชิ้นกําลังลั่นโครมโครมลงมาแล้วยังหยอกกันอยู่ได้เห็นทุกกัน ต, ตุบ ต, ตับตุบนายทหารร้องเพลงเสียงฟักฟั ก, ฟกมีมีอะไรก็ไม่รู้ข้างแหม่มคริสก็ร้องอยู่กรี๊ดกรี๊จนฟังไม่ออกจะดูท่าว่าจะด่าแม่เอาเหอะเอาเหอะไม่ต้องท้าความถึงตอนนั้นหรอกว่าต่อไปสิแล้วยังไงไนายทหารหนุ่มรีบบอกมา ยานบอกถึงสภาพของตนเองกับบุญคำที่เข้าไปนั่งจับเจา้าตกใจทั้งหมดสติอยู่ในพโพรงนั้นรอจนกระทั่งเสียงหินสงบสิ้นลงล้วก็ลงความเห็นตรงกันว่าทั้งแหม่มคริสและนายทหารไม่มีทางรอดแน่แล้วซึ่งความผิดก็น่า จ, จะตกมาถึงทั้งเขาและบุญคำข้าที่มีหน้าที่ดูแลบุคคลทั้งสองอยู่แล้วจะไม่อาจช่วยเหลือได้ทันโดยต้องพลาดกันแบบนี้อันไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งสองเลยตัวเองสองคนนะปลอดภัยแล้วแต่ถ้ากลับไปรายงานต่อเจ้านายหรือพรพินได้อย่างไร ถูกดาปนบี้ชนิดไม่เลี้ยงทีเดียวนั่นเป็นความรู้สึกของจันและบุญคำตอนนะั้นซึ่งเป็นความทุกข์หนักไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันโปรดพิจารณาให้ดีนะครับตอนนี้กลายเป็นสามฝ่ายแล้วที่พลัดจา ก, กันโดยไม่รู้ข่าวกันเลยคือหนึ่งพวกผมข้างผม 2. คุณกับคริสสองคนที่หลบเข้าไปช่องทางผิดและสามบุญคำกับจันที่เข้าไปหลบอยู่อีกช่องหนึ่งทุกฝ่ายล้วนอยู่ในภาวะวิตกกังวลด้วยกันทั้งสิ้น และไม่สามารถจะทราบเหตุการณ์ของแต่ละฝ่ายได้โดยถูกตัดแยกขาดจากกันออกเป็น3ด้านจอมพรานเสริมมาเพื่อนเน้นให้คริสกับเชิดบุตรเข้าใจมองเห็นภาพอย่างกระจ่างชัดคริสต์กับวิปลาลับลงชั่วขณะเชิดบุตรหน้าบ้องแบล็คขณะที่เขาถอดเสื้อออกพาดแง่หินเลยแต่เชิดหนังผิวแท้ปล่อยให้ลมอันมีไอแดดร้อนโชยพัดผ่าน พี่คำมีวิทยุที่นายทหารส่งให้ถือไว้อันนึงเพราเสียงหินมันเงียบลงแกลกแหกปากตะโกนเรียกเข้าวิทยุลั่นไปหมดเรียกนายทหารเรียกแหม่มคริสเรียกนายละพินแกลเรียกไปทุกคนแหละไม่เห็นมีใครพูดตอบออกมาสักคนเดียวทั้งบนฝ่ายของนายละพินเป็นยังไงมัง่งก็ไม่รู้แหม่มคริสกับนายทหารก็คงจะถูกฝังไปแล้วตอนนั้นสองคนคิดอย่างงั้นอ๋อยังอุตส่าห์นึกถึงวิทยุแล้วเรียกเหมือนกันหรือโดนวุ่นถามปนหัวเหรอ ทำไมจะไม่เรียกกันก็ช่วยเรียกอีกคนเรียกตั้งครึ่งชั่วโมงที่ว่าเรียกวิทยุนะเปิดสวิตด้วยหรือเปล่าคริสถามจากใบหน้าที่ซุกอยู่ในซอกแขนขณะนั่งกอดข่าเป็นเสียงพูดเย้ยวจันเสียมากกว่าจะเจตนาสอบถามแท้จริงเปิดสิแมมว่าเห็นไฟแดงมันยังสว่างเป็นจุดอยู่บนบัวของเครื่องนะ่ะแต่ว่าพี่คำแกไม่เปิดสวิตได้ยังไงจันว่าพวกเราทั้ง3ามฝ่ายล้วนต่างใช้วิทยุเรียกหากันทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมด้านบนฝ่ายคุณกับิฝ่ายของจันกับบุญคา แต่ก็อย่างที่ ท, ทราบมาแล้ววิทยุของเราทุกฝ่ายมันไร้สมรรถภาพลงชั่วขณะในบริเวณนี้ติดต่อกันไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจินตดำมืดไปหมดสําหรับทางด้านผมนั้นตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคุณและคริสต์แยกออกจากบุญคำและจันทร์เพราะผิดจังหวะที่นัดกันไว้ก่อนเข้าใจว่าคงจะปลอดภัยเรียบร้อยดีตามช่องทางที่บุญคำกําหนดไว้ส่วนเรื่องวิทยุที่เรียกแล้วไม่ได้ยินเสียงตอบ ร, รับเลยก็ยังไม่รู้สึกสงสัยอะไรนะเพราะ รู้อยู่แล้วว่าอาจเป็นบริเวณที่อับคลื่นวิทยุผมมันนึกเอจใจภายหลังอีกห้าหกชั่วโมงต่อมาเพราะไม่เห็นบุญคํานําคุณสองคนไปยังจุดนัดพบบนยอดสักดําสักทีที่สัญญากันไว้รับทินเป็นฝ่ายบอกผู้ให้ทั้งสองลำดับภาพเหตุการณ์ได้ตามความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็รับหน้าที่ต่อจากจันเล่าให้ทั้งสองฟังโดยมาเริ่มต้นอีกครั้งขณะที่ฝ่ายของตนอันติดตามด้วยหัวหน้าคณะด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธและอีสเบล ไต่หน้าผาขึ้นไปยังตำแหน่งก้อนหินที่แลดูเป็นที่น่าสงสัยลักษณะประหลาดหน้าเกรงอันตรายนะั้นตลอดเวลาสองคนที่เพิ่งรอดตายออกมาได้นั่งฟังตาขมิ้งเขาเล่าไปตามจริงทั้งหมดที่ตนเองเผชิญร่วมกับผู้ติดตามทั้งสามเล่าถึงสาเหตุที่ทําให้หินอันมีโคลนค้อกิวก้อนนั้นซึ่งคาดตกลงมาเป็นผลให้หินบนหน้าผาแถบนั้นทั้งหมดรอยทรมร่วงพลูลงทั้งแถบซึ่งมาจากเจ้าช้างใหญ่อันครั้งแรก เป็นงาดําสนิทปานนินคอยรอจังหวะงัดหินก้อนที่อยู่เหนือด้านบนไปที่ล่นลงมากระทบตรงรอยกิ่วของหินก้อนสําคัญก้อนนั้นคาดหลุดลงขณะ น, นั้นก็ไม่ได้หันมาสนใจพวกพวกทางด้านล่างที่กําลังเดินเป็นเป้เปาล่อเข้าไปในช่องทางซอกแทบเขาแค บ, บด้านล่างเลยอันเนื่องจากได้ทําความเข้าใจตกลงที่หมายนัดแนะกันไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อหินก้อนใหญ่ซึมและจะอยู่ก้อนนั้นเริ่มหักหลุดจากที่เขาก็เห็นตัวการและยิงทันที มันสุดคูเข่าหน้ามันไหลเลื่นลงมาติดคาอยู่ที่โคหินก้อนยหญ่หักลงไปแล้วจากนั้นตนเองก็ลีกลบเข้าหาที่ปลอดภัยเพราะพายุหินที่ล่วงหลาตามกันลงมานับไม่ถ้วนอันเกิดจากอำนาจซันสะเทือนเบลคิดและสเตนลี่ซึ่งยังอยู่คนละชะ ง, งอนก็โอนระเวงปันป่วนไปหมดบาดเจ็บไปตามๆกันสุดแต่ว่าใครมากน้อยแค่ไหนและคนที่ดูหน่าวิตกที่สุดขณะนั้นคือหัวหน้าคณะด็ตอร์สเตนลี่ ซึ่งสลบเมือดกว่าจะแก้ไขกันขึ้นมาได้นอกจากตัวเขาเองแล้วเบลเจ็บน้อยที่สุดคีดถัดมาหนักสุดคือสเตนลี่แต่การที่ไม่มีใครกลิ้งหล่นลงไปแหลกเหลวพร้อมกับพายุหินที่พัดล่วงไปยังซอกทางเดินข้างล่างย่อมนับว่าโชคดีที่สุดแหละภายหลังเมื่อแก้ไขหัวหน้าคณะขึ้นมาได้สําเร็จอันเป็นเวลาที่หินถล่มร่วงสุดจิ้นลงไปหมดแล้วตะวันโผล่เพลเต็มทีมองไปเบื้องล่างซอกทางเดินนั้น เห็นหินปลาหักทั้งโถมไม่เต็มไปหมดเมื่อถนนเหมือนถนนสายใหม่ทั้งหมดเริ่มเรียงวิทยุทันทีเหมือนกันโดยเรียกทั้งเชลวูดคริสและบุญคำไม่ปรากฏเสียงตอบรับความสงสัยคลางแคลงใจเริ่มเกิดขึ้นแต่ยังไม่มากนักแล้วทางคณะก็ปีนขึ้นไปดูซ่าของไอ้งาดําที่เราพินยิงคว่ำอยู่กับที่คุณเชื่อไหมครับคริสเชลดูดเขาพูดเสียงต่ําครึมลงขณะแลตามบุคคลทั้งสองที่ตั้งออกตั้งใจฟังชนิดตามไม่กระพริบ ไอ้ช้างตัวที่เราทุกคนเห็นชัดๆว่างาสีดําสนิททาหน้าที่งัดหินลงปะทะกับโคดหินก้อนนั้นแบบจุดชนวนระเบิดและผมยิงคว่ำถลายครูดลงมาตามหลายเขาติดขาค้างอยู่ตําแหน่งนั้นปรากฏว่าเมื่อเราขึ้นไปดูมันใกล้ๆอีกครั้งงาที่เห็นว่าดํำสนิทของมันแตวแรกค่อยๆกลับกลายมาเป็นสีเหลืองขาวเหมือนงาช้างธรรมดาเป็นการค่อยเปลี่ยนสีสลับเปลี่ยนสีกลับกลายกันซึ่งหน้า ตำตาในหวังที่พวกเราขึ้นไปล้อมดูอยู่ทีเดียวลิสติน่าและเชิดบุตรอ้าปากค้าง ค, คุณว่ายังไงเนะรพินเมริกันผมทองเงยหน้าพรวดขึ้นร้องเสียงสูงยังนั่งเหมือนจะไม่แน่ใจในหูของตนเองผมพูดว่าช้างงาดำตัวนั้นเมื่อถูกยิงตายแล้ะงากลกลายมาเป็นสีเหลืองขาวตามธรรมชาติของงาช้างธรรมดาผม ดรสแตนลีย์คีตและเบลเห็นกันหมดทุกคนแล้วงงกันไปหมดทั้งสองผู้รับฟังเรื่องราวอยู่อ้าปากค้ า, คางแล้วหันหน้าดูกันเองไปมาผมไม่เข้าใจครับรูปทินมันเป็นไปได้อย่างไรละมันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นไงทหารหนุ่มเอ๋ยขึ้นมายังตื่นหนกผมเองตอนนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ เ, เห็นอยู่ชัดๆว่ามันคือไอ้งาดําแน่ตัวใหญ่มาหึมาทีเดียว สีสันของงาซึ่งดำผิดธรรมชาติไปจากงาช้างทั่วไปก็ประกาศชัดว่ามันเป็นตัวไหนไม่ได้นอกจากดากโครงของมันอย่างที่พวกเกรียนตะเคียนทองบอกเล่าให้เราฟังทั้งนั้นแหละแต่พอถูกปืนคว่ำอยู่ที่กับททิ้งซากไว้งากับคืนมาเป็นสีขาวผมหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนอกจากใช้วิธีเดาหรือคาดคะเนเคุณเดาหรือคาดคะเนนยังไง ฤทธ์กับโชตวุฒิทำโดยเร็วเกือบจะพร้อมกันประพินเอามือกลุ่ม้ายถอยที่ประดับไปด้วยเส้นผมอยากเป็นคลื่นยาวของเขาผมว่าไม่มีช้างตัวไหนที่งาดำหรอกครับรูปการที่ปรากฏชัดเต็มตากันอย่างเล่าให้ฟังแล้วทำให้สันนิษฐานว่าที่งาของมันดำสนิทจะต้องเกิดจากอำนาจดีลับทางกฤิยาอาคมของเจ้ามันไตรนั่นเองคือถ้ามันส่งอานาจเขาควบคุมวงการช้างตัวไหน เจ้ช้างตัวนั้นจะเปลี่ยนสีงาไปเป็นสีดําทันทีแต่พอถูกปืนดับชีพลงสีงาก็กลับมาเป็นสีเดิมเพราะฉะนั้นถึงแม้เมื่อเย็นวานนี้ผมจะยิงไอ้ ง, งาดําอยู่หมัดไปแล้วภายหลังจากมันถลม่มภูเขาหินใสเราต่อไปข้างหน้าเราก็อาจพบช้างที่มีงาดําอีกเมื่อไรก็ได้ถ้าหากว่าเรายังกาจัดไอ้ผีร้ายมันไกลลงไม่ได้เพราะถ้ามันใช้อาคมไสยเวทลงช้างตัวไหน เพื่อให้เป็นจ่าโครปฏิบัติตามคำสั่งของมันช้างตัวนั้นก็จะเปลี่ยนสีงาเป็นสีดำไปทันทีอีกผมเข้าใจใช่นะตายหาเชอร์วุฒิอุทานเรื่องแปลกวิกล ว, วิการที่เราไม่คาดคิดอีกเรื่องหนึ่งละซึ่งเพิ่งจะมารับรู้จากคุณเดี๋ยวนี้เองแล้วคุณได้บอกแนวความคิดของคนชนิดนี้ของคุณชนิดนี้ให้พวกเราฉันหมายถึงเบลคิดและอาจารย์ทราบหรือเปล่าลิสถามเบาๆา ผมก็ได้บอกแนวความคิดความเข้าใจของผมชนิดนี้ให้ทั้งสามคนทราบแล้วเหมือนกันศึกใหญ่ระหว่างพวกเราทั้งหมดไอ้ผีดิบมันตรายและขงช้างที่มันจะเรียกมาเป็นบริวารไม่ได้สุดจิ้นลงงแค่ที่ผมยิงไอ้งาดำได้หรอกเพราะบอกแล้วว่าไอ้งาดำคงไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวมันจะทำให้ตัวไหนมีงาเป็นสีดำเมื่อไร ย, ย่อมได้ทั้งสิน้นจนกว่าเราจะจัดการกับมันตรายได้สาเร็จ ขณะที่ผมจ้องระวังและยิงช้างตัวนั้นคว่าลงมันได้หลบแบบหนีหายไปได้ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พวกเราทุกฝ่ายชุลมุนอยู่กับการหลบพายุหินขณะนั้นมันซ่อนตัวอยู่คอยคุมและบงการให้ช้างอันเป็นบริวารของมันงัดก้อนหินเหมือนจุดชนวนระเบิดใส่เราพอหินเริ่มถล่มและเราจัดการช้างตัวนั้นได้สําเร็จมันก็เพนหนีไปได้ งเฉพาะหลักฐานให้เราเห็นเพียงแค่ซากช้างตัวนั้นเท่านั้นเหตุการณ์ตอนนี้ฝ่ายคุณสี่คนที่ถูกกบอยู่ด้วยก้อนหินที่เทลงไปโถมไม่ได้มารับรู้รับเห็นด้วยเพราะเราแยกหน้าที่กันคนละส่วนอยู่แล้วด้านคุณก็เผชิญกันไปอย่างหนึ่งด้านผมก็อธมบายกันไปอีกอย่างหนึ่งพวกที่ปลอดภัยที่สุดก็คือพวกกะเรียงอพยพซึ่งเราต้อนให้ลงไปคอยอยู่ตีนเนินตำแหน่งปลอดภยัยภายใต้การควบคุมของเกิดกับเสย ภายหลังจากช่วยกันซักถามเขาเกี่ยวกับเรื่องช áng, ้างผีลงอันมีงาให้เห็นครั้งแรกว่าเป็นสีดำตัวนั้นอีกครู่ใหญ่และอารายละเอียดต่างๆเฉพาะตอนนั้นแล้วทั้งสองก็ขอให้เขาเล่าเหตุการณ์ในลำดับต่อไปจอมพรานเล่าไปให้ฟังตามจริงต่อไปว่าภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นสงบลงตรงภูผานมรณะนั้นเขาก็สั่งให้ขบวนทั้งหมด พร้อมทั้งคาราวานอบพยกของกะเรียงตะเคียนทองเดินทางต่อไปยังยอดของศักด์ดำเพื่อหยุดพมนั ก, กรอคอยฝ่ายที่ขณะนั้นเข้าใจกันว่าคงจะมุดใต้ท้ำที่หลบกันเข้าไปเดินทางไปสมทบตามที่นัดแนะกันไว้แซนลี่คีตและเบลแสดงความห่วงกังวลต่ออีกสี่คนข้างล่างที่ยังไม่รู้ข่าวแน่นอนเป็นอย่างมากแต่เขาก็เป็นผู้ที่ให้คามั่นสัญญาปลอบใจไว้ว่าจะยางไรเสียทั้งจันและบุญคา ก็จะต้องนำทางรอดปลอดภัยออกมาได้แน่ๆในแคมป์พักบนยอดซักดําการเวลาของคืนที่ผ่านมานั้นล่วงเลยไปตามลําดับผู้ที่นอนไม่หลับและแสดงความวิตกเป็นอย่างมากคือหมอเบลส่วนคีตและหัวหน้าคณะนอนหลับไปก่อนด้วยความอ่อนเพลียเขาต้องปลอบใจเบลอยู่อีกนานแล้วหล่อนขอพรานพื้นเมืองของเขาคนหนึ่งคือเกิดให้เข้าไปนอนเป็นเพื่อนอยู่ในกระโจมพักด้วย เมื่อยิ่งเดึกเข้ายังไม่มีวี่แววว่าคุณทั้งสี่นั่นหมายถึงบุญคำจันเชิดบุตรและคริสเปรากฏมาสมทบกับพรรคพวกตามที่นัดกันไว้ตัวเองก็เริ่มสังหอนกระสับกระส่ายหนะักพยายามใช้วิทยุเรียกเป็นระยะระยะในระหว่างที่แซนลีย์และอิสาเบลหลับไปแล้วแต่ก็ยังคงไม่ได้รับสัญญาณตอบรับอย่างใดทั้งสิน้นผมรู้สึกว่าถ้าทีมันไม่ค่อยจะดีเสีแล้วเมื่อหลังเที่ยงคืนไปแต่พวกคุณยังไม่โผล่มาให้เห็นเขากราวแพรวเบาเมื่อนึกถึงตอนนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจก็คือถ้ารอจนถึงเช้าตะวันขึ้นแล้วคณะของกลุ่มซีคนยังมาไม่ถึงเขาจะทําอย่างไรประมาณ3มนาฬิกาเศษบุญทากับจันก็ลอบเข้ามาซุ่มอยู่ใกล้ที่พักและพบกับเซยก่อนแอบเข้ามากระซิบเรียกให้เขาโดยไม่มีใครในแคมป์ทราบโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างที่นอนหลับอยู่เมื่อออกไปพบหินสองคนสบักสะบอมและโสมสารกันเต็มที่โดยเล่าให้ฟังว่าหลวงพัดกับเชิดวุดและคริสขณะที่หินถล่มลงมาใส่โดยไม่สามารถ ให้รายละเอียดแน่ชัดออกมาได้ว่าทั้งสองคนหลบเข้าช่องผิดทางหรือว่าถูกหินหล่นทับฝังทั้งเป็นไปแล้วที่เสียเวลาชักช้าอยู่ก็นั่นจากทั้งสองภายหลังหลบรอดปลอดภัยเข้าไปในถ้าได้ก็พยายามสุดกิจที่จะสแสวงหาทางต่อเชื่อมระหว่างถ้าที่อยู่ไม่ห่างกันนะเพืจะไปทะลุออกอยังถ้าที่หวังไว้ว่าคริสและเชิร์ดวุอดอัดหลบเข้าไปติดขังอยู่แต่ก็ไม่พบทางเลยเมื่อสิ้นหวังจึงตะเกียกตะกายกันมายัางยอดซักดําอันพักทั่วคอยอยู่แล้ว ก็ยังไม่กล้าโผล่เข้าไปให้ใครเห็นโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้างก็นึกจากไม่กล้าเผชิญหน้าและต้องการปรึกษาเล่าความจริงให้เขาผู้เป็นหัวหน้าโดยตรงได้ทราบเสียก่อนสําหรับเขาเองนั้นเมื่อเห็นทั้งบุญคําและจานรอดมาได้เพียงสองคนผมทั้งเล่าความให้ฟังก็ใจหายหมดผมคิดว่าคุณทั้งสองเสียชีวิตแน่แล้วเขาบอกความรู้สึกจริงใจในขณะนั้นพร้อมกับเอื้อมือไปตบเข่าทั้งคริสและเชิร์ดบุตแต่มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนี่นะ ถ้าหากเราสองคนจะตายไปแล้วจริงๆจกเหตุการณ์เมื่อเย็นวานคริสพูดเสียงเย็นเย็นใช่ไม่ใช่ความผิดของผมรวมทั้งไม่ใช่ความผิดของจันหรือบุญคำด้วยแต่พฤติการเท่าที่รับฟังเรื่องรลวในขณะนั้นใจถึงอย่างไรมันก็ทนความรับผิดชอบไปไม่ได้ในฐานะเป็นมคัคคุเทศน์นำทางที่จะต้องปกป้องคุ้มครองชีวิตของทุกคนภายในคณะผมบอกไม่ถูกว่าขณะนั้นจิตใจผมอยู่ในภาวะไหน พกร้อนกระดกลุ่มและตกใจเลอที่จะบรรยายถูกที่เดียวถึงบุญคากับจันเองก็ออยังยืนยันกับผมว่าทุ้งสองคนตายแน่แล้วถ้าไม่ตายจากถูกหินทับตอนแรกก็จะต้องต้องตายเพราะเขาไปติดอยู่ในโพรงตันไม่มีทางออกโดยจะไม่มีช่องทางใดเขาไปช่วยเหลือได้เลยซึ่งก็ทําให้หน่าจะได้เชื่อได้เช่นนั้นเพราะทั้งสองคนเคยสำรวจทำใต้ภูเขาวลวกนิ้มลูกนี้มาก่อนผมรู้เส้นทางดีก่อนแล้วแต่เขาก็จําต้องตัดสินใจเด็ดค่ะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะต้อง ให้ทั้งสมุนซ้ายขวาที่รอดตายออกมาได้นําย้อนกลับเข้าไปในโพรงถ้ำที่รอดทะลุกันออกมาโดยมุ่งหวังไว้ว่าจะสํารวจใหม่อีกครั้งด้วยตนเองเผื่อว่าอาจพบเส้นทางใดบ้างที่จะนำไปเชื่อมถึงหนทางที่อันารย์ก บ, บุญคําเคยบอกไว้ว่าเป็นทางตันนั้นให้ได้ขณะนั้นผมตั้งความหวังอันลีบรีดไว้เป็นสามประการดังนี้คือหนึ่งแสวงหาทางในถ้ำที่สองคนรอดออกมาได้เพื่อนําไปสู่หนทางตันคุณทั้งสองอาจเข้าไปโลบพายุหินอยู่ ถ้าพบว่าคุณเข้าไปหลบจิอยู่ในนั้นจริงก็จะได้นําออกมา 2. องถ้าแม้ว่าคุณพบผลทางนําเชื่อมต่อถึงโพรงท่อมที่ว่าตัานนั้นได้แล้วไม่มีร่องรอยของการหลบเข้ามาของคุณทั้งสองเลยก็จะได้รู้แน่ชัดออกไปว่าคุณทั้งสองถูกหินทับอยู่บริเวณปากทาตายไปแล้วไม่ต้องสงสัยต่อไปอีกและวสถ้าเป็นไปได้แม้ว่าพบศพก็จะต้องนำศพลับออกมาให้พรรคพวกของคุณเองเห็นให้ได้เพราะผมมาอยู่ในฐานะที่จะนิ่งดูดายโดยไม่ทําอะไรเลยสักอย่างได้ และต้องรีบลงมือทําก่อนสว่างก่อนที่ดรอเตร์แซลลี่คิดหรือเบลจะเตือนขึ้นมาพบเล่าต่อไปว่าเมื่อตัดสินใจดังนั้นเขาเรียกเซยเข้ามาสั่งความให้ปริปราตะกบกระโตกกะตากใดๆขึ้นมากลางดึกพรอนไปทางไกลลุ่งนั้นไม่ให้บอกใครด้วยว่าคุณคํากับจันทร์สมซานกลับมาแล้วโดยไม่มีเชิดวุฒและคริสกลับมาพร้อมกันด้วยรีบออกเดินทางย้อนมาทางปากเข้าถ้ำการฝังตรงท่อมันเป็นทางออกของพรานทั้งสองทันที โดยเขียนโน้ตสั้นๆถึงบุคคลทั้งสามบอกแต่เพียงว่าจะออกติดตามบุคคลที่หายเสียบสูญไปโดยไม่ได้ข่าวและถ้าฝ่ายนายจ้างทุกคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วจะให้เคลื่อนย้ายเดินทางกันต่อไปโดยให้ไปรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องเพื่อรับฟังข่าวอยู่ที่นั่นมอบหมายหน้าที่นำทางให้จะเกิดและเสยโดยสัญญาว่าจะตามพบหรือไม่พบก็ตามจะรีบกลับไปส่งข่าวเขาแหงนขึ้นมองดูตะวันเกือบเที่ยงกลางฟ้าเหนือยอดสักขึ้นไป ปานนี้ผมเข้าใจว่าเกิดและเสยคงนําพรรคพวกของคุณและพวกก็เลียงอพยพทั้งหมดไปถึงหมู่บ้านห้วยเสือรองแล้วภายหลังจากตื่นขึ้ น, นมาเห็นโน้ตสั่งความของผมเราพินกล่าวเรียบๆแล้วคุณจิดวพวนั้นจะมีความรู้สึกยังไงในเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบคุณนอกจากโน้ตที่บอกข้อความอย่างนั้นชันพูดถามจอมพานยิ้มแค่นแค้นก็นคงคิดเหมือนผมเมื่อก่อนน่าจะตามคุณพบทั้งสองนั่นแหละคือต้องเชื่อว่าคุณทั้งสองลวนทั้บุญคาและจันรตายไปแล้วเพราะในโน้ต ผมไม่ได้บอกความจริงมาแท้ที่จริงแล้วตอนทีสาบุญคํากับจันได้หลุดรอดออกมาได้และแอบมาหาผมแล้วโดยเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดทัด้งนั้นก็แปลว่าในบรรดาบุคคลเหล่านั้นีรู้ความจริงอยู่สองคนเท่า น, นั้นสิ่งคือลูกศิษตุ่นหนุ่มของคุณเกิดกับเซย์สองคนนั้นจําเป็นจะต้องรู้ความจริงครับว่าตอนดึกบุญคําและจันกลับมาได้เพียงสองคนอันเป็นเหตุให้ผมต้องให้ทั้งสองนำย้อนกลับมาค้นหาคุณกับเชิดวุฒอีกครั้งผมมีความจําเป็นที่จะต้อง ปิดบังไว้ก่อนว่าบุญคํากับจันทร์อดกลับมาได้เพียงสองคนเท่านั้นและแอบไปพบผมใกล้แคมป์ซึ่งถ้าพักพวกคุณสามคนในแคมป์รู้ความจริงข้อนี้ก็จะยิ่งกับกําลังใจเสียและแน่ใจว่าทั้งสองเสียชีวิตไปแล้วแน่นอนเอาไว้ให้ผมมาเห็นกับตาจะก่อนดีกว่าฉลาดได้รอบคอบเลือกเกินเชิญวุฒิพิมพ์พำออกมาแล้วคุณแน่ใจหรือว่าเมื่อพบโน้ตคุณสั่งให้เคลื่อนไปรออยู่ที่ห้วยเสือรอ้องอาจารย์คีดและเบลจะปฏิบัติตาม คริสถามอย่างไม่แน่ใจคุณเองควรต้องรู้อุปณิสัยใจคอและหลักปฏิบัติงานของพวกคุณด้วยกันเองดีอยู่แล้วโดยเฉพาะดร์สแตนลีย์ซึ่งนอกจากจะฉลาดแล้วยังเป็นคนเชียบขาดมากผมรับรองเลยว่าพวกคุณทั้งสามไม่ว่าจะเป็นดร์สแตนลีย์คีิหรือเบล่วงกังวลถึงคุณมากที่สุดแต่ในภาวะที่ทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่านี้เขาจะต้องทําจให้เข้มแข็งมั่นคงที่สุดด้วยถ้าเขาไม่ทาตามที่ผมขอร้อง คุณให้ไปรอกันอยู่ที่ห้วยเสือร้องเขาก็จะเป็นคนงโง่และขาดสติเรามไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องรองอยู่ันยอดซักดำเพื่อฟังข่าวจากผมไปรอฟังข่าวที่ห้วยเสือร้องก็ได้ระยะทางมันก็ไม่ห่างไกลออกไปนะผมได้บอกแล้วในโนต้ตสั่งความว่าผมจะต้องไปที่นั่นไม่ว่าตามพวกคุณพบหรือไม่แล้วก็เล่าสรุปในตอนท้ายว่าได้ตามมาสำรวจถ้ำที่พ่านพื้นเมือง ติดก้นกุญิทั้งสองใช้เป็นเส้นทางโพรกันออกมารวมทั้งเข้าไปตรวจสอบลู่ทางโดยเดินย้อนกลับเข้าไปจนถึงปากทางฝั่งนู้นอันมีหินภูเขาถล่มลงมาปิดกันหมดแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นมันก็มาประสาน ร, รอยกันได้อย่างสนิทกับเรื่องราวที่ต่างฝ่ายต่างรับรู้กันไว้ก่อนและในการสอบซักถามกันเมื่อพบกันครั้งแรกหมดสิ้นข้อคลางแคลงสงสัยทุกเหตุการณ์ ทุกฉากทุกตอนกระจ่างชาัดออกไปหมดจันทกับพี่คาเคยสํารวจทำนี้มาหลายครั้งแล้วสมุนใจเขาเป็นคนบอกในตอนท้ายว่าตรวจหากันแต่เฉพาะระดับพื้นราบของถ้าเท่านั้นไม่รู้เลยว่าบนหรือเพดานสูงขึ้นไปมันจะมีทางเดินต่อเชื่อมถึงกันได้พนนัยเข้าไปสํารวจายก็ค้นพบแต่ก่อนจะพบได้ก็แทบเลือดตากระเด็นเหมือนกันพอพบเส้นทางด้านสูงที่เดินต่อไปถึงโพรงถ้าอื่นๆที่เคยนึกว่าตันได้สําเร็จ พวกฉันก็นึรู้ทันทีว่านายจะต้องค้นพบแม่มและนายทหารได้เพียงแต่ว่ายังหายใจหรือพบศพเท่านั้นแต่พอมาเห็นรอยหุงษาหงหาหลับนอนกันตรงหินรูปคนหัวขาดนั่นก็ดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะรู้แน่วะนายแม่มกับนายทหารยังไม่ตายทั้งคริสตินาและเชิดวุฒินั่งน้ําตาซึมไปอีกครั้ง ด้วยความตื้นตันใจในความพยายามจนสุดความสามารถของพลานนําทางผู้ไม่ยอมทอดทิ้งบุกปัน่นค้นหาจนพบ ท, ทั้งทั้งที่ดูจากเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมแล้วความหวังมันไม่มีเหลืออยู่เลยคนอย่างนี้ยังอุตส่ามิถหลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกเหมือนกันนะคริสในที่สุดพันตรีเชิดบุษก็เอ่ยขึ้นแผ่วเบาปุ้ยปากไปทางพรานใหญ่ผู้ซึ่งเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นชัดเอาเดี๋ยวนี้เองว่าสบักสบอม และขบุขมอมไม่แพ้เขากับคริสเช่นกันเขาน่าจะแทงบัญชีจำนายเราสองคนไปแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ตามมาจนได้เหน่อยหนักตอนขึ้นไปประจันหน้ากับไอ้งาดำบนภูเขายังไม่พอตกเดียยังต้องมาเหนื่อยยากติดตามงมหาเราสองคนอีกเขาเป็นมิตรแท้ที่หายากสําหรับทุกคนและพูดกันเจะเดี๋ยวนี้อีกครั้งเลย งานเบื้องหน้าของพวกคุณสําเร็จและพวกคุณหักหลังครับพวกคุณก็ไม่ใช่มนุษย์ล้วอย่ร้ายกาศชาติชั่วเสยิ่งกว่าไอ้ผีดิบมันไตรเสอีกแม่ภูเขาน้ําแข็งพูดลึกๆเมินหน้าไปทางอื่นแต่พูดเบาๆเรียบๆมาว่าวก็ใครใชใ้เขาตามมาล่ะเราสองคนก็สามารถแสวงหาทางออกได้เองไม่ใช่หรือประพินทันเล่ยังถึง ก้นบึ้งของหัวใจแม่สาวผู้มีนามเดิมว่าไลลาอมิเตะมานานแล้วเขาจึงเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวเช่นไรแต่เชิดวุฒยังอ่อนหักนะพอ ไ, ได้ยินถ้อยคํานั้นก็ฉุนกึกคำรามออกมาคําหนึ่งง้างมือขึ้นตะจะตกให้คว่ําคามือเพราะคาดไม่ถึงว่าหล่อนจะพูดใส่หน้าระพินอย่างนี้ก่อนฝ่ามือนั้นจะฟาดลงมามันก็ถูกลวกฉับไว้ได้พุ้งมืออันแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังอย่าครับคุณพุฒ คุณไม่มีสิทธิ์จะมาทำร้ายอะไรเพื่อนร่วมตายของคุณคนนี้ก็ฟังพูดออกมาสิเจอร์ดุตเอ็กตโร ล, ลันขึ้นมาหน้าแดงกล่ำตาวาวผมจะเกลียดขี้หน้าคุณขึ้นมาแล้วคริสติน่าประโยคหลังเข้ากันโชคใสหลอนพร้อมทั้งแยกเคี้ยวเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีมากสำหรับคุณที่คิดได้เช่นนั้นหลอนพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพร้อมทั้งลุกขึ้นยืนช้าๆกล่าวต่อมาว่า คุณคุยกับพรานนำทางของเราไปก่อนนะจะสาบแช่งดาว่าฉันยังไงก็เชิญตามสบายฉันจะลงไปอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ลำทานนั่นหน่อยพรานคุ้มการประจำตัวของฉันอยู่ที่ริมทานน้ำนั่นอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาเฝ้าฉันอีกหรอกกล่าวจบพริสก็คว้าเอ็มสบเป้หลังประจำตัวลุกขึ้นเดินจากที่นั่นตรงไปยังทานน้ามองเห็นไหลรินรนอยู่ไม่ห่างนักทันที